โดเวลานี้เกี่ยงต่อมาในช่วงนั้นคนไปอาการร่อยอย่างหนึ่งกำจายกวดขึ้นแทนที่เป็นอย่างมันเป็นอย่างอื่นกำจายอีกเวลานี้เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นนานก็คือสุขอาการอย่างนั้นมันผ่านไปปีเศษนะมันคลองรื่องงานกับปีเศษทํายุ่งจริงๆแล้วไปใช้ก็มาได้ทุก ว, วันแ้วถ้าถ้าสมาธิยะ น, นั้นที่อยู่บนเครื่อาเกียน ถ้าึงเวลาจะสอนก็นมาถ่ายก็ขอพระท่านในช่วงสอนกันมาถ่ายขอให้เลิก อ, อาเกียนทักตัวกก่าก็ขึ้นไปก็อาเจียนมาไอ้ผิว ง, งานก็ต้องเป็นงานธรรมะต้องเป็นธรรมะเรื่อร่างกายเรื่องของร่างกา ย, เ ร, รากายเรื่องงานของเราธรรมเราต้องทามันจะตายเวลานั้นก็ยิ่ดีใหญ่หรจะไป น, นิพพานเพราะเราพุทธมิพันเป็นปกติถ้าพูดมิพานธ์เป็นบกติตายมัริไปนิพพานมนนั้น แล้ก็ยิ่งป่วยกำลังใจก็ยิ่งแจ่มใสเพรรู้ตัวมันไม่ดีบา่าจะตายเดี๋ยวก่อนไวเดี๋ยวก่อนมันบอกให้ป้าให้แกอย่าพูดมาใ้แกอย่าพูดมาจะได้เวลา3โมงคืนนะก็เป็นนันว่าุณๆก็ดูอีกทีว่าไอะมันเพราะอะไรอาการโรคอย่างนี้มีเพราะอะไรมันมีอาการแปลกจากเดิมก็ปรากฏพบขอมสองคน นอนอยู่ที่ที่คุมขังส่วนเหลืองค่อยๆตายไปวันน้อยๆรู้สึกก็ตกตายก็ขอฝันต่อฝันขอดูภาพเขเรื่องอะไรบอดสมัยเชียงแสนตอนนั้นเป็นสมัยเขาพราะเจ้ า, า, าจักรหรราชทันเวลานั้นถึงเป็นพระเจ้าเสือมีลูกน้องพระยมทรงพรามันสูงก็เสือก็ขาเป็นกา เราก็เป็นพเพียเสือมีอำนาจควบคุมสั่งคุมของ ม, มันคุมหลายคนแต่ของพวกนั้นไอ้ลูกน้องที่เป็นคุมรก็เปลียนของว่าอยู่ดีๆของท่ำให้คนไทยเรามีความลำบากต้องยิ่งบ้านยิ่เมืองไปอยู่ในป่าที่แสนไล่คนแสนคนมันจะพอกินที่ไหนต้องต้องตัวลาครลำบากมากเมื่อไปจะเข้ามาได้เข้าแก้มือทุกคนกพร้อมเวลานั้นนักร็อกของเรา คนไคขทั้งหมดที่แว่นอยู่คือหนึ่งเด็กที่ยังรบไม่ได้สองคนแก่ที่เดินไม่ไหวนอกจากเป็นนักรบหมดผู้หญิงผู้ชายไอ้พวกเนี่ยที่ไห น, น, นเป็นแถวนี่ฝันมันมันติดอยู่สมัยดันฝันไปเนี่ยฝันไปจริงไม่จริงเลยเรื่องความฝันเนี่ยใครจับโกงไม่ได้ <laughs> ในเมื่อจับไปสั่งลูกน้องขังมันก็เกลียด ก็่ก็เขากินทำสั่งสั่งให้เลี้ยงจะขังไว้จะมานำมาลงโทษในที่หลังเจตนาที่หลังแต่คนนั้นไม่เปลียดทำหน้าได้ปล่อยอดตายไปเลยไนอะ้ก็อพระสุขโทษก็มันทำไมฉันปเป็นเจ้าเสือนี้ก็าไม่น่าจะมายุ่งกับฉันเึ็นเล่นคนจะเล่นกับยศล ม, มยศลมเวลานี้กยินขี่คอชา้างอีว่าท่สูขงขนเต็บแต่ออกแ ก, ออ ก, กไม่เลไม่ไมีตักรมวนสบายใจ เนี่ยกฎของกรรมมันเป็นอย่างนี้ก็ตรงกับตำราของธรรมแล้วถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ราหูเข้าแทรกคำว่าจริงไม่ทิ้งไม่ข่้นสวยเองเข้าแทรกแทรกแล้วให้โทษอย่างนี้แล้วเมื่มาเจตนานะว่าเอาอความจริงทางเขาว่าต่อมาการวิธีแก้แก้กรรมให้แก้กรรมนี่ในพุทธศาสนาเราไม่มีมีแก้โดยตรง เว้ไม่แต่กรรมได้เป็นอุปคารแต่กรรมกรรมที่ขบตะจรชีวิตสมมติว่าการเกิดไอ้การเกิดไปแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นกมลนั่งตายก่อนที่เราจะมาเกิดก็ให้เวลาตายเรามาแน่นอนแล้วไม่ต้องไปห่วงจะตายเมื่อไหร่มันมถึงเวลาจะตายจริงเอาไว้ยังไงก็ไม่ได้ต่อมาถ้าถึงเวลาจริงถ้ายังไม่ถึงเวลาจริงมันมีที่ต้องตายที่ต้องอุปคารแต่กรรม กรรมที่มีเป็นโทษปานาทิบาอย่างหนักใน่ใช่ใดชั้นหนึ่งที่มัยังไม่ผลมันติดตามเข้ามาถึงเวลานั้นมันตัดชีวิตเราก่อนอายุไขก่อนกําหนดที่กําหนดไว้ถ้าตายอย่างนี้ที่เรียกว่าสัมภเวสีคือจะไปจะรบ ก, ก็ยังไม่ได้ไปสอยที่ยังได้ต้องเป็นผีหิวหิวใหญ่กิงก็ไม่มีอะไรกินเป็นผีที่หมอเลี้ยงผีก็นําไปเลี้ยงผีก็เป็นนี้ ในการประเภทนี้เข้าไปตัดได้กาลังพระสัจนาคือพระพุทธเจ้าเคยทําำในแก่พระอายุธนบุรุษมาต่อมาท่านบวชเป็นเนนแล้วก็เป็นพระเป็นพระ อ, อ, อราหันต์ที่สมิธายามมีอายุ120ตังร้อยยี่สิบปีแล้วกรรตัวนี้จะเข้ามาตัดยุทธันปุบานเวลาอายุไม่กี่เดือนไปอยู่ในทข้าแม่ไม่ออกมัมนจะเข้าแม่ไม่กี่เดือนกรรมก็จะหมสั้ เทก็ไม่ยว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปเฝ้าเขอเล่าลัดไปเลยเวลามันน้อยไปเฝ้า พ, พาระ พ, พุทธเจ้าเวลาปลับพ่อกลาบพระเจ้าบอกว่าทีคายูโกโอสุซึงแปลว่าพระเจ้าจงเป็นผู้อายุยืนนานเวลาแม่กลับลายพระุทธเจ้าบอกว่าทีคายูโกโอสุเหมือนกันเวลาให้ลูกกลับพระพุทธเจ้าส่งนึ่งพ่อกับแม่ก็สงสัยว่าผมกับฉัน เวลาารพระเจ้าให้พออย่างนี้ให้ลูกกลับทำไมไม่ว่ายอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าลูกขงเธอจะตายภายในเจดวันจากที่ไปไม่เกินเจ็วันต้องตายถ้าถาพระให้อนตามนั้นแต่เราไมให้พรผิดเพราะฐานไม่มีทีแก้แต่บอกได้าะเป็นอุปคาระกรมก็ไปจัดพารามวิธีรงวิธีอะไรลงคาบุหรืออะไรก็ได้ให้พระไปนั่งล้อมสวดพระอิษร เจ็ดวันต้องใช้พระสักเก็ตกันขาดไม่ได้เพราะว่ามียักษ์ตนหนึ่งที่รับเลยรับพรอยากเทีว่วไปสวรรค์ถ้ไอเอาชีวิเตเด็กคนนี้ดเวลาที่พรานั่งล้อมอยู่ใจไม่กล้ารัดเชือกมาพอาวันที่เจ็ดจริงๆพุทธเก่าทรงเสนอเองก็ตัดสินใจว่าไอ้วันที่เจ็ดมันสุดเวลาวันนั้นสากพระเสด็จยังบับอะไรเอามานั่น การที่พระเสียเจ้าก็ตหมายความว่าเวลาเปลี่ยนเวรกันชุดนี้จะออกชุดนั้นจะเข้าแล้วสองชุดเมื่อกี้เดินสวนทางกันเนี่ย <c oughs> ไอตอนนี้วุ่นวายตอนนี้เขามีเจ้าบาตที่จะแทรกเข้าไปได้วันนั้นพระเจ้าทรงพระเดชเสองพระพุทธเจ้าพระเดชเองเทวดาหรือพรหมที่มีสัตว์ใหญ่อํานมากมากก็ประหยุดอะไรยักษ์คนนั้นเป็นคนทาหารอยู่โน่นริมขอบฟ้า พระเจ้าสมเด็สเสด็จประทัดอยู่ตั้งแันที่แปดหมดโอกาสจึงเสด็จชกลับแลวก็ต่อ น, นี้ไปเด็กคนนี้มีอายุเพียร้อยี่สิบปีแล้วต่อมาท่านก็เป็นพระอาหารดังนั้นการทนมีธีรักพระครอและพร ะ, ะดอกกระเพาะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแบบฉบับเป็นของพราม์แต่วิธีกรรเป็นของพุทธพิธีการเป็นของพุทธก็มีว่า ที่ทำเนี่ยก็เพพวกเราบางคนที่จะต้องไปเสียเงินก็ต้องแต่พันบาทมีค น, นยแล้วก็มีหลายคนที่ได้เป็นมือไมาบอกว่าภาพเป็นอย่างนี้ให้ดูหลันเราต้องเสียเงินแบบนั้นไม่ถูกต้องควรจะช่วยฉันบอกวิธีช่วยฉันจะบอกให้ก็เลยแนะนําบอกให้คนเอาเงินมามาเป็นบุญสนตามตู้ตู้ละตู้แบบตามแต่การใส่ไปให้ตั้งใจตามแบบองคุธ ให้ตั้งใจที่บัลเงินทั้งหมดพวกเรามีเราจัดเป็นสังฆ ท, ทานมีหะทานธรรมทานและสร้างพระพุทธรูปกอคิดอย่งนั้นนะทุกคนนะคิดว่าเงินของเราที่ใส่ไปกี่บาทกี่สตางค์ก็ตามทัลกเงินจํานวนนี้ถ้าบวดขอถ้าไหวเป็นสังฆทานก็สร้างมีหะทานและธรรมทานและสร้างมาพุทธรูปอันบอกว่ามานนบาลีวัดท่าสงกระดีสามบอกบอกแค่สังฆ ท, ทานธรรมทานระบไม่ได้ ต้องมีการสร้างุมรดกด้วยพระเมีุสงศ์ใหญ่มากเป็นพิเศษเป็นการกค่อยๆถอยหลังหนีกรรมเก่าคือบาปดังนั้นการทายังถือว่าเป็การสะดองครอบบทนั้นก็ยังไม่ได้นะอย่างเมื่อคืนนี้เวลาที่สอนกรรมฐ า, านเวลานั้นก็มากระทั่งก็มากันหมดความจริงเวลาเจริญกรฐานถ้าใช้พิภุญานนะอยากจะทราบวัดธรรมบุมตรยม า, มามั่งระเบรู้จ้าจประเด็ดทุกวัน และก็ตอนช่วงที่ทุกคนนั่งหลับตาพยายมและกับรายกดมาในรูปโคงตรงแล้วก็บอกว่ากดโค้งกรรมที่ทำถ้ากดการการสะเดาะตัพระมีผลแน่นอนแต่ว่าทุกคนอย่าประเมินว่าขึ้นจีบกดโค้งกรรมนี่กรรมชั่วที่รั ก, กําจัดไปแล้วเวลานี้ผ่านไปแต่กรรมอีกชั่ยหลายประยการทยังไม่ให้ผลเราอาจจะมีติดตามมาได้ ยามทำความดีประเภทนี้เพื่อถอยหลังดีกดกุ้งกัลคือมันหลีก็ไม่ได้เลยหนีไม่พน้นจะกำจัดล่างไม่ได้จะถอยห้องละท่านหนีคาว่าหนีไหมก็สร้างความเป็นบุญให้มีกำลังสูงให้เจ้าบาปอาจจะพลวิจิตรวิจิตรแม้ว่าพลาไม่ถนัดอย่างนี้เราจะพ้นกฎกุ้งกัลได้แต่ทุกคนที่ทำแล้วอย่าประมาทนะอย่าประบายที่ว่าทำแล้วจะหมดไปเลยไอ้ของเก่าที่เราสร้างเราทําลายในวันนี้ หรือว่าสังหารในวันนี้กำจัดอำนาจทุกธานุภาพธรรมธาทุพาดสังขารธา พ, าพย่อมเป็นไปได้สลายตัวแต่ว่าส่วนที่เหลือกรรมต่างๆที่เราสั่งสมไม่บรรยังไ ม, ม่หมดที่ติตามเราอยู่ถ้ามันมาสนองอะไรก็ต้องจะมันก็แตกการกับเรามานั้นฉะนั้นขอทุกคนจงตั้งใจรักษาความดีตามที่พุทธเจ้าสั่งตอนที่ไปก็ทุกคนจะเริ่มพิธีกรรมพิธีกรรมอันดับแรกก็จะบวงสรวงก่อน โกองสนี่เป็นการเชิญข้าวมาหาราชทั้งสี่เจี๊ย น, นูใครมาถามทาวมหาราชพร้อมหรือแต่ความจริงท้าวมหาราช จ, จริงๆ ถ, ถ้ามารับสดาของขุมแต่เขาแยกเห็นก็เห็นไม่ พ, พลาดเพราะเมอครอั้งเกษตรวันวนี่เาไมอ้วนเหมือนพอ่อเพราะท่านไม่มีข้าวกินแตจริงของทิพย์ิพยก็ไม่ได้กินอินเองเนะข้าวสวดส่งเขาดี ถ้าวัดถือาวุธไหมก็ท่ามาราาทั้งสี่มวุฒต่างกันอย่างถ้าเวสุวรรณเนีย่ยท่านมีกระบองกระบองมีอำนาจมากต่างท่าทุสตร์มีกระแขงถ้าวิรุณอกมีดาบโอ้นี่ไม่แน่เนีาะดีกระบองยาวยืดเหมือนกันกระบองมั น, มนรมก ร, นน อ, อ, นกรอ ง, งนักเรียนกองเสือบางท่นงานกระชอนได้ดาบท่ารุนปักมีดาบเป็นต้นในเวลาที่ท่านอยาเราเห็นหนลักษณะไหนไม่แน่ก็เลือกของท่าน เวลาที่โงสวงทั้นนิ่งไปหน่อยที่จะถานท่านว่าใครเป็นยังไงบ้างควจะแก้ไข ย, ยงไงตอนนั้นที่รังอยู่ทุกคนนึกถึงหม่ขอพอท่ช่วยเรื่องกครงกรรมเหตุไ้ใดๆจะยังมีกับเราก็มากของท่านก็แจดให้้นไปแต่ว่าการพ้นหมดแตมันไม่ได้จะเหลือบ้าง 20% สนยี่สซนี้ต้องมีต่อไปแม่ท่านสั่งเสร็จท่านมันเสร็จ ก็จะใช้สักเคสักเคจะหมายถึงอาัาธนาตั้งแต่พระเจ้าลงมาตอนนั้นพระเจ้าจะสั่งใครระท า, ายในงานนี้เพื่อผลใจที่ตรงได้รักท่านผูนั้นจะเป็นแชร์การไม่กินว่าผลที่ทจะทำมันจะเป็นอะไรบ้างเพื่อความดีต่อไปในวันหน้าและหลังจากนั้นต่อไปก็อาจจะมีทุกคนนักการจะรับศินก็ต้องระดมควานักการพาระไตรตราราคมเสร็จ แะจุดนั้นพระยาสั่งให้โดยมาศทา่านสังให้สดีีกินจบก่อนโซได้แต่ท้นถ้าวันไหนคนที่มีโทษอุปภากรรมกยจะต้องตายระหว่างชีวิตเคยสั่งให้สดีกจบถ้าคนที่มีเพราะบ้างอะไรบ้างเล่นน้อยไม่มากนะักอา จ, จะสั่งให้สดีามจบแต่คำว่าโทษต่างๆไม่จะเป็นภ า, ารตกรหมดตามพระยาปรากฏจะบอกว่าคนนี้ มีกรรมทั้งอุปคาตกรรมก็จะตกใจถือว่าการทําวันนี้ให้พ้นจากกรรมนั้นเพื่อเราไม่ต้องตายในระหว่างชีวิตตะกิตที่มันยังเอากระเราคืออาจจะป่วยไข้ไม่สบายบ้างนี้เป็นธรรมดาใช่นี่เียบน้อยนะอย่าคิดว่าทําแล้วก็พ้นไปนเลยทีเดียวคิดอย่างนั้นจะไม่ถูกต้องรอความอวเลขไม่ถูรตัวหางเลขยจงดีกว่าจะไม่ ไม่ถูกรว่างวิดหนึ่งเขาก็หลอดเลื่องมันนดทายสองตัวป่วยนิดเพื่อจะน้อยต้นเดินต้องเดอนขอต้นไหวนะอันนี้ต่อสองห้ามากี่ปีนี่วนี่มซ้อนเท่าไหร่มีดูนาสองห้ามันเดือนอะไระมีนากี่เดนี่ี่เดือนสองปีกว่าแล้วจะเข้าสามปีได้อย่างนับเดือนไ้อย่างเนี้ยเยาว์เ้หายเลยเนี่ยตัวโูใหญ่ระาแพง่อย นี่บังเอิญเป็นพระเยาเสือนะถ้าเป็นพระเยาผมอาจจะหนักตรงนี้ีวา่เนี้ยกรรมที่เนียแค่กรรมสองรการเป็นเศษของกันลอยฉันมาตั้งหลายปีทาาาว่าแต่อย่างนั้นจะแก้คน อ, อื่นได้ไมก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้ใครแก้ต้องทำอาราชแก่กรมเทวาดาเขจาจะจ่ายดวยถ้าทำตามใจท่านเราจะมีผลบาัางแต่ก็เล็กน้อย ที่บอกว่าคนที่มีกรรมไม่เสมอความดีไม่เสมอกันในสมัยทันดีวัฒน์ครั้งแรกทาวาราชะกับคนชุดนี้ความชั่วที่ให้ผลร้ายจะให้มีเหลือแค่สิอบอร์ซพอพรเจ้าประเดชเปาโคตรที่มีบารมีเต็มสร้างความดีไว ม, มากจนถึงสิบนไม่ได้ให้ลดต่ำกว่าสเปอร์เ็นความชั่วร้ายจะเหลืออยู่บ้างพอมาทุ่ที่สามท่านบอกเอ๊ คนมีความดีความทั่วไม่เสมอกันจะแล้วบางคนก็ดีบางคนก็ไปไ ป, ไปมาเอาค่านี้เหลือ 10% ปรกว่าแต่ไม่เกิน 20% สอร์ซก็ยังดีกว่าเต็ม 100% นไหมี่ทานเรื่องนี้สอนดูวาดแล้แต่พูดมากจนเลยจบแรงนี่ไปไนัน่ก่อนเอ็นุคนแต่งตัวสีตั้งเงินเท่าไร่ยหลงพ่อแกยังว่างเองที่เอานะ่ะเองลงพ่อแก่ยัง ยังใช่นี้ยวเครื่อมน้อยลงเองพูดสู่ใจแล้วก็เดี๋ยวพ่อไอ้สองต่างใครมีตันแดงรึเป่หาไม่ได้ไม่ใครเลยเองอ่ะกล่องแดงกล่องไปทำไมอ่เอากล่องแดงไปแล้วในของในกล่องออกไว้อ้าอิ่มมาแยบงยังงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่มครั อาพวกที่ไปหาตังค์มาร้อยให้กล่อเออะดูดีกดีมาก้อกวาหนึ่งพันห้าอเสือกโทรสิเจ็ดเต้อเต้อแดว่าอะไรคนแคลคนก็ได้แปลโอ่งก็ได้แปลตัวก็ได้มาหนึ่งพันห้าร้อยหกสิเจ็ดคนนะ ทุกคนตั้งใจตอนนี้ตั้งใจเคารพในพระธรรมราษนะอดิศายติตขอให้ท่านช่วยสร้างกำลังตั้งใจขอให้ขอท่านธรรมราชท่านบอกว่าไม้เลขที่เจ็ดว่อวานนี้ก็ชนควายหนึ่งตัววันนี้ชนควายไมยแน่ที่เจ็ด อดีตอะไรท่านอยู่นี่เพราะน้นเรื่องอะไรจิตเจ็ดชาติไว้หลังไปเคยใช้เรือปลอกคอควายทีข้าควายไม่มีแหวแต่ปลอกไปแลถังน้ำหนึ่งหน่อยอ้าอยากน้ำ ก, กินไปปลายก็ตายเอง การนี้กำลังจะเข้ามาสนองท่านบอกว่าให้ถวายสารทานชุดเล็ก7ชุดหรือ7วาระคำว่า7ชุดแต่ครั้งละชุดกระไดเขาว่าชุดเล็กนีงแต่เราจะมีผ้ากว้างครึบยาวครึบสักพืนหนึ่งมีอาหารเกี๊ยวปลาหมึกสักตัวหรือปลาซิวอร์ซาสักตัวจริงๆแล้วแล้วก็ไม่ ทุนเล็กที่ไม่ต้องมีรูปกรดูกก็ได้นะเลยเยี่ยไปอาหารถ้วยหนึ่งข้าวจะถ้วยหนึ่งน้ํำจะถ้วยหนึ่งขนงทุกถ้วยหนึ่งก็ได้เอาไปถวายพระที่วัดไหนถ้ามีพระฉันรงกันก็จะจ็บองค์ถือว่าเป็นการถวายพระนรชัยทำอย่างนี้ถ้าเจ็ดครั้งจะวาระแล้วทำวาระเดียวกันเป็นเจ็ดทุตก็ได้คนนี้ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าไม่ทำแต่ว่าจะมีโทษทางท้องโรกทางท้องจะรุกรนมากนี่เห็นจะไม่โรกเดียวฉันมีห่อเดียวเป็นสำหรับหมายเลข27นะท่านบอกไม่จะเลี้ยงเรืร่องเสมอไปท่านดูกดตามรนะดับต่อมาก็หมายเลข85ถึง87 85ถึง1 7 ให้ปล่อยปลาลายละไม่น้อยกว่าสามิบตัวขนันดหนของปลาไม่หยักกัดเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ตามกำลังนัานบอกว่าจะมีโรคจากปลานาธิบัดจะรบกวนะไรไม่นักนะถ้าไม่ทำถ้าทำก็ประเดี๋ยวยท่านพระพุทธเจ้าบอกประเซนไว้ต่อไปก็ใบเลขสาสิบสี่กับเจสิบสอง ไออาบน้ํามนต์ตอนเช้าเจ็ดวันติดต่อกันอาบน้ำมนไฟเวลาจะอาบน้ำก็ผสมใส่ขันแลใส่กระป๋องไว้อาบๆพอจะเลิกก็เอาน้ำทุที่อาตอนเช้าจะเจ็ดไปก็ดี้หมืนเดือนกงคืนกินเหล้ามามาอาตงไเจียนเพื่อนตรงกัล้างมัเลยตัวเสร็จใช่ไหมแต่บอกว่าที่ทำอย่างนี้เป็นการกันไฟ นี่ม่เหมือนกันเนยแล้วก็ต่อไปหมายเลข52กับ53ให้ปล่อยนอก3ตัวหรือ5ตัวก็ได้มากก็ทำไมเป็นไรทางนี้เพื่การป้องกันขโมยนกกี่โรมที่ไลขโมยจะเข้าบ้านสักทีกะปล่อยนกก็เป็นว่าถ้าป้องกันนั้นไม่เป็นไรแต่บอกนอกนั้นไม่มีกฎขกรคมที่จะต้องแก่ ใช้ไม่ได้กำไรสิกี่ลายลวะเนี่ยสร้างพันห้าร้อยหกสิลายได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดหลอกฟรีสักหนึ่งร้อยห้าสิบกหนึ่งพันห้าร้หสิบลายฟรีจะไม่แน่นะหนอกนั้นไม่มีกำนังที่จะต้องแก่แต่ เ, เพื่อความสวัสดีของตนเอง พยายามรักษาหินห้าไว้เป็นปกติต่อไปจะไค่อยร่วมเรื่องทั้งทางเคราะห์ีพและทางกรรมนี่เป็นเรื่องท้ามหาราชนะต่อมาเป็นเรื่องของพระพเจ้าต่อสักเควันนี้ท่านเป็นประธานเองประวันนี้ใช้ท่านเอวันนี้วันนสั่การเองถ้าว่ากดค้องกรรมที่บอกมาแล้วทั้งหมด ทุกคนนะที่ว่าเป็นกรรมหนะักหรือว่าไม่หนักแต่ทุกคนที่มีอยู่บ้าง ท, ทุกคนนะ้อรร ม, ทมีทุกคนกฎสงครามที่แบ่าสมมติมีทุกคนแต่ว่าที่ท่านไม่บอกคือว่ามีอยู่แต่ไม่จําที่ต้องแก้แก้แต่ไม่แก้มาต้อเอาตามนั้นแหละโดยเลย็กน้อยมันบอกว่ากฎสงครรมที่บอกมาแล้วทั้งหมดหรือทุกหรือว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่ททนี่จะทำมาดีท่านบอกจะลดกฎสงครรมให้เหลือแค่สาเอร์เซ็น ในความใกล้เี่งหลวงพ่อพระพุทเอาสมสมพระสมนิดหน่อยนะอาต้นนิดไปเป็นหนไม่จะเจียกันเนียมนะลืมและคนที่ต้องแก้ก็เหมือนกันนะที่ต้องแก้ก็เหลือแก่สามเปอร์เซ็นเหมือนกันนะจะไม่ใช่ว่าทุกคนท่านบอกทุกคนเลยยุกจอดไปเลยถ้าว่าอย่างไงถ้าเให้รักษากําลังใจในกรรมฐานไว้เป็นปกติอะไรชีวิตจะ ไม่เร่าร้อนเกินไปอย่าลืมนะปนเครืองอาจจะมีบ้างแต่ชีวิตจะไม่เร่าร้อนเกินไปแต่ว่าจะรุง่งจะค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆตามแบบจะไม่มีการไอยหลังลยก็ เ, เป็นน้ำว่าทบทญพยากรหมดแค่ น, นี้เครื่งเป็นตีนนเื่องชุดมนเป็นอะไรวะถ้าการครั้งนี้สำเร็จลูกจะถาวาย คุณเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลวงพ่อหนึ่งคอนีเดียวเอ๊จะให้หลวงพ่อไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนกันเนี่ยไหาวิอยาลหลวงผีหลวงผีขอบารมีหลวงพ่อปลดประสิทธิ์าสตร์ให้ความปรารถนาของลูกสาเร็จด้วยเธอเป็คเจ้าภาพขอไปเจอเจ้าภาพเป็นเสื้อรวยๆนะใช่ถูกเขอไดุ้กความปรารถนาบขาได้ยกตรงสิบปอร์เซ็น ต้องเลือไได้วยราบาท้านักมการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่สูงสุดลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสังฆท า, านครบทุดหรือว่าที่ศูนย์พุทธสัทาท่าลานมีสังฆท า, านก็ทำแบบเดียวกับที่ซอยสลมทุกประการแต่บังเอิญมีท่านสมาชิกคนหนึ่งมีความพอใจพระพุทธรูปเพียงแสนก็อยากจะเอาไปบูชาที่บ้าน จึงจัดการผาสิกรรมแต่ว่าคณะกรรมการยังไม่ลงมาสิกให้มาถามลงพ่อว่าจะสมควรหรือไม่เพราะเขาต้องการจะเอาเงินเข้าในศูนย์แห่งนี้เจ้าข่าไม่รู้ไม่ไม่รู้รู้อู้หสอบได้เก่งมากนี่โอ้โหพัดเจนเลยนี่นะใช่ใเอานี้ดีซื้อมาจะสมาเท่าไรขายเข้าไปเท่าตัวจะได้เสมอกันเนี่ยใช่ใช่อ๋อ อย่างนี้ก็ไม่ขาดทุนนะเจ้ากันไปเลยนะสาบพท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกฝึกมะนมยิตพิครั้งแรกก็ได้มีโอกาสไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประชุรามนีเมื่อกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อลงมามีโอกาสไปเจอพ็อสเตอร์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวิสุซธิเทพ มองดูแล้วเหมือนกับว่าท่าซู่มเฟี้ยเหมือนกับที่ลูกไปเห็นบนที่ข้างบนทุกประการอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอารมณ์แบบนี้ลูกอยากจะให้มีมั่นคงต่อไปจะควรปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อแบบไหนจึงจะให้อารมณ์นี้อยู่กับลูกต่อไปเถอะค่ะสร้างเวนตาคนนะผมสร้างเวนตาเหรอครับเขาเขนผ้าเขาวิจิตริเทศที่แวนตา <laughs> <laughs> โอ้ใครอย่างนี้อยู่มาตราน <laughs> เลยนะ เข้าใจนั้นนะรักษาอารมณ์เดิมไม่สิอารมณ์ที่ทไดขนาดไหนก็พยายามรักษาไว้อย่าเล็งรัดอย่าเพียนเกินไปแต่ถึงเกินไปอย่าขยายเกินไปเอาแค่พอดีพอดีห้ามมีเกลื่อเกินไปเอาพอดีพอดีนะเจ้าเจก็เป็นนั้นว่าเจ้านี้ก็ให้รักษาอารมณ์เดิมไว้หลวงพ่อขอรับลูกเป็นคนที่โง่และไม่ฉลาดเลยถูกต้อง โอเสือจะลอยชะยมเออใช่ใน่ี่เราก็สารภาพถูกแล้วนะโมทนากับฟังโง่ท้าเดือนเพื่อจะได้โง่ตามเราต่อไปลูกเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเลยฟังหลวงพ่อเทศก็จำได้เฉพาะที่ลอยสายลมกลับไปแล้วก็โง่เหมือนเดิมคือจำไม่ได้วันนี้ขอจำเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ยอมโง่ต่อไปแล้วคือจะถามแบันี้บอกว่า วิธีที่จะตัดขันท่าให้ได้มาตรฐานตลอดชีวิตตันควรจะเริ่มต้นแบบไหนและไปลงท้ายแบบใดขอให้หลวงพ่อช่วยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสักครั้งเฉยพรรุทธเริ่มต้นนะครับแต่ทําไม่ทััครบงภยแล้วเขาบอกให้เป็นตัวอย่างกูบาลกนะ็เริ่มต้นตรงนี้นะหาสตังเข้าสตางหาสตงาสตงหาเงินนะหาเงินหาสตัง ใส่เงินพอที่โต้เล่นหนึ่งเห็นเมื่อก่อนหนึ่งรับไปคมปันคอก่อนได้ผม่าตัดพอแล้วก็อีกอื่นก็ว่ากันที่หลังนะเรื่องกันไปใช่ๆชใส่กันห้าก็มีอะไรเล่าคนไม่เตยเก็บเจ็บใจก็ดูให้เห็นเห็นเลยอเโหใช่าดสุนภาพใช่เพื่อสื่อโฆษนายก็ของจริงที่เราเห็อยู่ใ่ คก็เกิดมาแล้วเด็กกเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มหนุสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นคนกางคนคนลคนต้แก่แก่แล้วก็ตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใ่ของเรามันมีแค่นี้แหละอต้องต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่คิดว่ามันต้องตายเลยเออเอาตายไปเกณฑ์นะเอตายไปเรียกพอเอาไปตัดคนใหม่นะเอ้เอาเลยๆค่อยๆง่ายๆด้วยก็ไปเลยจ ตาข้าวพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กรบอย่างสูงปัจจุบันนี้ปรากฏว่าลูกได้ถูกคำโทษจากเท ว, วดามาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวจำเป็นจะต้องมางลึกหลวงพอ่อพอให้หลวงพ่อบอกพระเท ว, วดาจะลงโทษผมต่อไปเลยผมมีเรื่องดังนี้ผมจะถูกคำโทษเวลาทำสมาธินอกนั้นไม่เป็นอะไรเลย นั่งสมาธิทีไร <c oughs> จะต้องปวดหัวปวดโน่นปวดนี่ดีไม่ดีอารมณ์ก็ควายแขวผมคิดว่าเทวดานี้จะต้องขับผมจะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึง่งขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำเทวดาอย่าลงโทษผมต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ่ยังไม่รู้เทวดาเอาไหนเลยเพราะว่าเทวดามีเยอะกันเหรอใช่เดี๋ยวนี้เขไม่เรียกเทวดาเขาเรียกอะไรครับเรียกขันธมาร คนมาวก่คือว่าปวดน่นเปนี่เป็นอะไรใ่ใช่ใช่ก็ใช่ปัาแบบนี้จะหายโอ้หลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนำตัวโตๆนะครับครช่างมันช่างมันม่จะตายาะามันจะปวดก็ช่างมันก็รู้จักทุกทุกอะไรกไ เนี่ยร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้เรามีร่างกายอยู่ใช่ไหมครับ ใ, ใถ้าเราเกิดสไปริตพานไม่มีร่างกายนี่มันยังไม่ทุกข์อย่างนี้อีกคือยิ่ร่างกายนี่เราไม่ต้องการมีอีกแล้วโอไม่ต้องการร่างกายใช่ใช่โอ้นี่กลับไปนีนหัวเกิดไม่ต้องการร่างกายเมียเมียไม่ต้องการร่างกายหูจะยุ่งเหนกับพวกเนี้ยบางทียกตัวเงินเลยเขจะต้องทําหน้าที่มาตลอดนะครับครับไม่ได้วนคมฐานที่วนไปวนมาในร่างกาย ก็ทาที่ร่างกายโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเทศน์ไหมพระเตยพิจิตรมีขันห้าเรื่องเดียวเปลี่ยนในสันน้นนวลตัวเองอครับว่าแปดหมื 4, ่นสี่พันก็ทันและไปดูหน้าไหนให้ไปเจียวขันห้าไม่มีเลยไ ม, มไม่มีเลยเคยไปทันเลยทาร์จารน่านงอนันอ่านพรเตยพิจิตราสามปีปีไหลเที่ยวนะ<า>ปีที่หนึ่งอ่านไปอ่านมาอ่านมาไปปีสองจหของพ่อ ปีสามท่องจำบางตอน <3. S 2> ยังจำไม่ได้หมดท่านก็ชักโมโหตัวเองว่าทําไมคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยพอไปอร่านในสมัยพายางขึ้นบอกทรงไระไตรปิฎกม <า S 2> ไม่เคยรู้เรื่องเลยก็<า>ไปถามท่านบอกว่าเขาทรงเปยังไงครับท่านถามว่าแก อ, อก่านพระไตรปิฎกไปกี่เที่ยวบอกท่านเที่ยวไม่ได้ครับสนับปีโปีหลายเที่ยวก็อ่านสามปีจบ ด, ด้วยท่องบางตอน ฉับอกกลับไปดูใหม่ที่หน้าไหนที่พระเจ้าไปโผล่ชิ้ขันห้าพทั้งงั้นผมไม่ไปดูแล้วครับโอ้เรียนจะตายไัมันมีใกล้แค่ขันห้าอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนจำนวนแต่คนบางคนบางพวกคือฟังเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างเราเนยเราพวกเราพุทธาหม้อใหญ่ไม่โรคอะไรก็กินม้อนั้นนี่ยมาหายก็หายมาหายก็ตายแหลก แต่ก็ขันว่านี่เองนิดเดียวไม่มีอะไรมากเลยครับโอจะสําเร็จแล้วไม่สําเร็จก็ขันร่างกายเนี่ยเอาร่างกายดีกว่าโอร่างกายดีกว่าไม่สนใจร่างกายตอนนั้นพอแล้วโอ้จะวัวซานไม่นานก็ร่างกายเนี่ยนะแค่นั้นแหละโอ้จะมีลูกมาหรือว่าอร่างกายนะโอ้แหม่ถ้าเจอหลวงพ่อถ้าตอนแรกป่านี้ผมแต่นี่ได้ฉันไม่คนคือคือชันไปขันติดไปเลยอ้าวขันว่านี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นหรอก ตาฟ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกมั่นคงในพารตนัดไรแต่ก็ต้องตาสาวนิสิตในเมื่อครบครับงามไปสนะ <c oughs> ในเมื่อครบอุตูไดประกาศพยากรณ์ศาสตร์แผ่นอะไรนนะไแผันดินจะไหวจะมีผลกรทบกระตือนทุ่งกรงเทพด้วยที่จะกราบเรียนถามนี่คือเรียนถามว่าหลวงพ่อมีอะไร ที่ลูกจะเอาไปป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น<อ>ไม่อยากไม่อยากไม่อยากโอ้มีหรอครับโอ้นโยบายเจ้าเขาเกิดขึด้นเองเพราะว่าย<ไ>ุพยายามยา้ายจางแท่ไปเช่ที่สุดโอ้น <c oughs> ี่เป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดนะก็ไม่ใช่ไหวที่กรุงเทพนโอ้อย่ า, างน้นจะย้ายไปอยู่วัดท่าตรงนู้นบทเรื่องหมดราวเนะดเฉยๆเอะ ไ, ไม่ไม่แค่ไหนลงมาเชีไทยนะ แย่างมากที่สุดก็ต้องอ้อยหักไอ้ไอ้ติดตัวไม่ตัวอะไรพ่อไปไปไปนอนไปนอนคอยสึกฟังเนี่ยอะไรสิสี่วันสิบสองวันกูจะเป็นแบบนั้นนะแต่ลูกหลานแล้วพ่อถูกบ้าก็เราังโง่ทําไมเล่าเรมยนขนมปังไม่กินนอนเลอที่วันที่ววัจะอยู่ได้ใช่ใช่อยู่ได้ขนมฟังเก็บน้ําไว้นะครับครโอ้ห้องตรงห้องท่วมก็สบายเลยนะที่ ไพอเราก็เก็บมาใหม่โอนไปวนมาอาตกลโว่าพี่ร้อขงขากรุงเทพไม่ต้องตงใจนะไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องห่วงเพื่อนเลไม่นาง ไ, นะไม่นางอไม่มานาะงใช่เพราะว่าชีวิตตกหรือว่ามีตึกสูงๆมีเยอะหัวหน้นก็เอ่อไม่ตกใจดีกว่านะยังไงไงมีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกรุ่นพ่อช่วยแล้วกันทางนี้ก่อน ยังไงครับก็ครับฟังมุอสูก็บอกจะจะไว้วันพรุ่งนี้วันนี้ไปไวัดท่าจุงเลยโอ้โ <c oughs> หลบไปสค่วันหนึ่งนะแค่วันหนึ่งแค่นี้ก็สบายใจถามขวันะขวัญ <c oughs> ลุยสีนะ้องพ่อเจ้าขาแหม่ญาติของลูกชื่อนางหยกประยงกุล จึงลวงรับจับขันตายไปแล้วมาเข้าฝันบัลาบากมากอันนี้ไม่สงสัยแต่ที่สงสัยก็คือว่าลูกตัดบาตริลุธโยลูกถวายสังฆทานลูกสวดมนต์ลูกขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าหลวงพ่อทั้งๆที่เก่งสุดเก่งแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถช่วยได้แสดงว่าลูกจะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อส่งรอดคุณญา ขอหลวงพ่อเดีโปรดเมตตาแนะนำสิ่งที่ขาดตกบก้องโดยสิดนเจ้าค่ะไม่ขาดไป่ตกไม่บกไช่้องที่ทำมาแล้วดีเหรอครับใช่ดีครบสนทุกอย่างไอเลืส่สบายยากเพ่าคนนั้นเขายังไม่มีโอกาสโมทนาโ อ, โอกาสยังไม่มีโอ้ยงี้ต้องรอโอกาสนะครับใช่แต่นี่ถามว่าบอกย่งามีโอกาสแล้วอ๋อเอาละเวลาทำบุญก็ตั้งใจให้คนเรียบปเลยนะเฉพาะ อ๋อถ้าหากว่าคุณพิทหลายๆคนยังผลไม่ค่อยนันไม่แน่นอนคูณพิททาบแล้วว่าเจาะจงอ๋อภาษาบาลีแปลว่าใช่ใช่ใชเจาะจงครับเอาต่อไปนะถ้าจะอุทิศดคนตาให้เจาะลงไปเลยนะครับจะได้สบายสบกลาบธรรมการหลวงพ่อจึงเคารพอย่างสูงลูกมีความห่องใจเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์โสดาอะไรปฏิมรกโสดาปฏิผล ว่าจจะมีลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรสมมุติว่าเวลาลูกบรรลุเป็นโสดามัคโสดาผลนี้จะรู้ด้วยตนเองหรือไม่เจ้าครับเจ้ารู้ด้วยตนเอง <c oughs> อไม่เจา้าจะบอกว่าถ้าถึงแล้วก็มีญาณเป็นเครื่องรู้บอกเองไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปรองคน อ, ง อ, อื่นหรอกมันแน่นอนออครับ เอางี้แล้วกันจะใครกันหรอกถ้าบังเอิญเราจะไม่รู้เองนะจะมีพระบอกแต่ไม่ใช่พระพระเนื่องนะแล้วพระแบบไหนมีอะไรนะพระพุทธเจ้าจะบอกเองอย่างตอนหนึ่งนันก็จะโดนงมฐานเขาเข้าใจกันว่าจะเป็นสกิทาขามีแต่พุทธเจ้าจะบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาบันละเอียดเพื่อวิชัยใช่ไหมอารมณ์คล้ายกันครับ เอาจะคล้ายๆจึิงจมากเลยนะใช่จรงมากอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วงนนะเมื่อบรรุแล้วถ้าไม่รู้เองก็จะพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยนี้ก็สบายใจแล้วหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอ๋อเมื่อเดือนที่แล้วหนูไปทำฟันในขณะที่หมอกาลังอุดฟันหนูอยู่หนู คนน่เนไหนูใช่ไหมหมอทันตแพทย์ทันต์หนูพี่จะฟังไม่ดีนะเอาสันตันต์ันตัหนูเลอ่าเอาคนดีกว่านะลูกเหมือนกันในขณะที่หมอกำลังอุดฟันหนูอยู่นั่นก็ปลาสดว่าหนูก็ใช้แบบสบับหลบข้อนหนึ่งภาวนานามาพะสองจับภาพรลวพุทธลูกไปด้วยลูกมีจิตเป็นสุขมากแต่ชั่วแป๊บเดียว ไม่ใช่หลับตาไม่ใช่ลืมตาไม่ใช่ห่วงนอนเห็นจริงๆเลยเจ้าภ่ะผู้ชายผิวสองสีรูปรรรูปร่างค่อนข้างท้งวมวัยกลางคนหน้าตาใจดีแต่ไม่ใส่เสื้ออีห้อยคอเส้นใหญ่ยาวมากสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นนองทำเส้นหนึ่งก็เป็นนาคก้มมองดูลูกลูกก็เกือบจะตกใจกลัว แต่นลกอีกทีว่าเป็นลูกศิษย์ลูกพ่อแล้วต้องไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นที่จะเรียนถามว่าท่านมาปรากฏในลักษณะอย่างนี้มาดีมาลายมาสมเพาะหรืออย่างไรขอหลวงพ่อโป<ต>รดไม่ลาพี่มาดูว่าถึงเวลาตายหรือยัง อ, ยอ้ยาโออไอก้ก้มๆดูนี่มาดูเรื่องตายเลยม ไ, ไม่น่ามาเลยอย่างนี้อ้าวพูดอยามาอ๋อทีนี้ก็เป็นเทวดาท่านสมเพลคราบครับกรับ ถ้มากไปงั้นฉันไม่ทำฟันทีไรก็แบบนั้นอ่ะฉันไม่รเรื่องอ่ะหลวงพ่อเลยจสอบปรกการกันเหลอเนี่ยนี่หล้ท่ทำมัเลิกมาเนี่ยมันฟันมันเสียวฟันฝุ่อตรงไหนนะปั๊บหมอบอกจะเจ็บเขาจะเจ็บจะเสียวไหมบอกึเขาบอกถึงถ้าเจี๋ยวเสียวอมดเลก็แล้วไปเราก็เปิดแม่ไปเลยเหรอครอบเหมือนก็หลับแล้คลาจร่างกายเหมือนหลับแต่ใจไม่ได้หลับเลราะที่ยวไปคุยใครกัใครได้เยอเชย่ไป อเอเออความรู้สึกทางทางไอ้ไม่ไมเลิกกันโอกที่เวลาเจ็บแ้่ได้ป่วยแล้วก็ย้ายย้ายลึกไปไหนแต่ไหนได้ใช่ย้ายเข้าส่งนี่ก็ได้ด้วได้วิธีใหม่แล้วอล่าสกากล่ก็เป็นนั้นว่าที่เห็นน่ก็เป็นเทวดานะใช่มาส่งเพราะจะได้เจ็บน้อยลงไปหน่อยอ้าวกราบธรรมสการหลวงพ่อที่กรลบอย่างสูง อ็มีวันหนึ่งลาดไปถนัดรู้เกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวที่จะใส่บาทพระบังเอิญตื่นสายไปนิดนุ่งพระก็ไม่มาก็เลยเอาไปถวายพระอีกวัดอีกวักดหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันพระโกรว่าลาะไปขันเพลนอกวัดหมดดังนั้นลูกเลยต้องเอากลับบ้านมานั่งมองอยู่ต้องนานว่าจะกินเองก็เกรงว่าจะเป็นโทษอาจจะทิ้งไปก็เสียดายเลยลูกเอาไปถวายพระพุทธรูปที่บ้าน ถวายเสร็จแล้วก็มาทานเองอย่างนี้จะมีโทษหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีมีแต่คุณลีแต่คุลเหรอครับเขาตั้งใจไปทำบุญแล้วมันเป็มันเป็นบุญแล้วตัวตั้งจับชินใจดีนะครับครตั้งใจถวายเพราะสงฆ์เพราะสงฆ์ไม่อยู่กลับมาถวายพระพุทธใช้ได้เลยได้ทั้งสองทางพุทธานุติสังฆานุติสังฆานาระมีโอ้ใช่คือบางคนไม่แน่ใจแหมตั้งใจจะทําบุญมากินตัวว่าจะมีโทษมีอะไรอะไรนะ แม้ควาจริงน่าจะขอแล้วส่งไปสันีิไปก็ยังจะดีสวรสค์ดาวกล้าเท้าหลวง็่อซึ่ก็รับอย่างสูงลูกเองไม่สามารถที่จะให้ความสว่างแก่บุคคลอื่นได้คือว่าคนก็มาถามว่าอย่างนี้ว่าการบูชาพระบัวเข็ม น, นั้นจำเป็นจะต้องหล่อน้ำให้ท่านลอยอยู่ในน้ำถึงจะถูกต้องถึงจะได้ผล ลูกเองไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อยากขอความสว่างจากหลวงพ่อว่าควรหรือไม่อย่างไรจึงจะมีผลสมบูรณ์แบบเถิดค่ะแต่ความยิงคนถานไม่มีความรู้แค่ฉันเลยนะอะทำไมหลวงพ่อฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกให้ก็หายไปเลย <c oughs> มีความรู้เท่ากันแล้วรู้เอามาจากไหนเรื่อดล ะ, ละบวกบวกงโบกถิมเราลอยดาวเหรอโอ้พระคุณ ทันติโดนทศมาบ่ายกลางก็เป็นทะเลพวกพุทธกบอกเขียอยู่องเดียวกนลััองเดียวกันดงั้นเลือกเป็นยังไงอทั้งนิไม่รู้อ่ะแบบว่าด้เอาจริงๆบไม่รู้เลยใเขาบอกอุทธเราอาจารยษาเราคือทะเลในนเรงแก้วอยู่ใี่หเขเลยทำค่าโบกเขมแล้วทำใบโบคว่าขุมหัวอยู่อยเรื่องเขามาเม้าคิดขึ้นไม่ใไป่ใชไทยแลนด์นะไม่ยช่ไทแลนด ก็เนี่ยเข็มมากๆเลยสาตกลงก็จะมีน้าหรือไม่มีน้ำก็ต่างกนก็ไม่จาเป็นสาสาสาเอากิตเปใหญ่กันแล้วกันบูชาถึงขั้นนแล้วกันนะาดสาดอย่าลืมว่าข้าวโพดที่เป็นประสงค์ไม่ใช่พโธอ้ย่างงั้นเหรอเข้าใจปิดจนหมดเลยโอ้ยไปสร้างแทนเดียวกับเล็กเจ้าโอไม่ใช่เหอไม่ใช่มีขั้นาสาวกนั่นเองแทนแล้วท่านแทนอเบคุทนี่แล้วพระธรรอคุทครับ รา้าวหลวงพ่อสุโตรบจางสูงแล้วผมครขอราบเรียนถามว่าวันพุทธวิเศษที่24สิงหาที่วัดท่าทุงจะเริ่มสักกี่โมงแล้วพิธีนี้ถ้าลูกจะเข้าร่วมพิธีด้วยจำเป็นจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเพื่อให้ถูกต้องกับพิธีการของวัดท่าซุงครับเริ่มประมาณหกโมงเย็น พี่เตรียมไปก็คือหนึ่งรุ่งกางเกงและรุ่งผ้าไม่รุ่งกางเกงไมก็ได้มีกางเกงนอกผิใช้ได้โอ้ละเอียดรอครับเสื้อให้ดีครับครัครให้เดินให้เรียบร้อยคให้ดียวไขว้จนหน้าวัด <c oughs> โอ้ไม <c oughs> ่มีอะไรมากพี่พี่สงสิครับออกแต่งกายก็ไม่ต้องขาวแขวงอะไรก็ได้ใช่ใช่ดีอย่างนะฟรีสไตล์ไม่เคยมีบทบาทมากที่วัดเนี้ อ่าไปดันว่าถ้าจะเข้าพิธีก็ต้องไปก่อนหกโมงด่วยคุรพ่อเลยถ้าเริ่มของ้ขาปิดประตูเออจะจะติดแสลกใจเมื่อคราวที่แล้วที่เสกพระมหาลาภความข้าโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาเขาเสกเสกให้มีพระอะไรประาสี่ห้าออกสล่งโก้โว้ยโอ้โวยขอลวพ่อเดียวเลยเหรอใช่ไหไม่ดหูอพวกเว้ยเจิตบวมเขาแช่ลงข้างัง บอกมึงเขาหลอกาวบ้านอโห่นที่เป็นพานยักษ์เลยอใอมที่นั่งปลงเือเือเเลยนะเป็นอารมณพิีว่าถ้าซุงถูกกล้องแล้วนะใช่ถ้าวิธีนี้จะได้ประโยชน์ซุงแล้วไม่คยมีเสียงอ่เห็นซุงจอดมีเสียงนะครับรอยแพเฉยๆีทังีมมีเสียงนอกจาขึ้นมากระทบแันก็เสียงไม่ดังมาก ครับครัใครจะไปก็เดินนะตอนที่ยีสี่หกมงเย็นเป็นต้นไปกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพจากสูงกระผมปฏิบัติเป็นประจำดังต่อไปนี้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจคลือหนึ่งเวลาปกติผมเวลาสวดมนต์ผมจะเอาเหรียญทำน้ำมนต์ของหลวงพ่อวางไว้บนหัวศีรษะแล้วก็วากระถาอิทีิปิโสเจ็ดจบ นามาพระธาตุ15จบผลปรากฏว่าอาพาธโรคภัยไข้เจ็บบรรเทาแล้วก็หายไปโดยไม่ต้องกินยาหาหมอเมื่อได้ผลอย่างนี้ก็ผมอยากจะขอถวายแนะนำว่าให้หลวงพ่อทดลองดูบ้างบางทีหลวงพ่ออาจจะหายป่วยโดยฉับบันก็ได้โอ <c oughs> ้เป็นวางสูงนะอาูงไ่ไปหรอครับโธ่ทาไว้บนหวัวทิษสาครับ <c oughs> กานที่เล่นลาชาสับกับสองสับเลยี่นนอ๋อไอโรผู้ชันน่ะสับใช้สมุนอยู่เสมออย่าลืมว่ากำหนดเวลามี่อยู่ทีพรุทเจ้าจะบอกว่าต้นพันวาหมายถึงว่าพันวาของปีันวาน่าเนี่ยถึงไหมมันสองันวานี่ยเองาสองปีขอโรคภายไข้เจ็บทิงจา ก็ใครมาเรื่อยๆเนี่ยัยังไปเรืเ่อยๆมยันไปาเยอะแล้ว อ, อย่าลืมว่ า, าวกฎข้องรรมเก่าทำไว้มากมิใช่เล็กน้อยน<อ>ี่เป็นการดิ้นที่จะชี้สองลูกนี้แกหนีเจ้าหนี้เจ้าห น, นี้ก็ตามทวงยงก็ช่างมันแล้วที่บอกว่ามาเร็วๆช่วยไออะไรอะไรหนังหังเท้ากองอะไรขึ้นมานหนังนะงเท้าสองแน่ว่าเอาข้าวผมผมเวสานย โอ้ยอยู uh ่ๆน็องไม่สวยอ่ะไม่ ah. ีเวลาก่อนจะไปเข้าภาษาก็ไม้จิ้มฟันมาแทงแทงเท้าที่ช่อนจะีใช่โอแเรามาต่อมากับาคองขึ้นบนเนาะใช่อันนี้เป็นบาลมืออะไรที่หลวงพ่อไม่ใช่โล่มไหลออกโล่งไหลลงล่างเลยค้องก็เป็น้ำๆมันกดแปะก็แตกไหนเบาจะลกเบาโอแปะนะแหมกระด้พูดานะ ครับเพราะมันมันตุ่มเดียวก็หนึ่งอย่างว่าแป้งกระแปดหมายถ้าพูดเลยนะถ้าพูดแล้ววันนี้คงจะหมดเยอะวันนี้อ่าก็เป็นอันว่าใครจะลองทําดูก็ได้นะเหรียทํามสมุทก็พราาจริงเขาตามแบบฉบับว่าเอาไว้ในขันแล้วก็อลัสนานะอันนี้ก็ดีเขาตั้งใจดีใช่ไหมครับดีจะให้สักจิตทั่วชีวิต้า ไปจ้างสัลยกรรมนาผ า, าแล้วก็<ช>เหรียญตะลบนบกเลยยก <laughs> ผมจะลองทำเป็นคนแรกดูนะ <laughs> จะได้ผลไปที่หน้าพอใจว่า <laughs> เอ่อทุกอย่างถ้าตั้งใจแล้วถ้าได้ผลไปที่หน้าพอใจใช่ไหม